บันทึกที่หนึ่งจากบันทึกพิเศษถ่ายบทความสําคัญของสังฆะวัตถุสี่สังฆาวัตถุสี่เป็นหลักธรรมสาคัญยิ่งหมวดหนึ่งที่มีมาในบาลีหลายแห่งตัวอย่างที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสําคัญของการเกื้อกูลสง่งเคราะห์กันในหมู่ชนและความสามัคคีของสังคมด้วยการส่งย้ําความสําคัญของหลักสังฆาวัตถุสีเช่นหัตถะอารวากะ ซึ่งส่งยกย่องว่าเป็นตราชูหนึ่งในสองคนของอุบาสกบริษัทและถือกันว่าเป็นอัครอุบาสกก็ได้รับยกย่องเป็นเอตาาัคคะได้บรรดาผู้สงเคราะห์บริษัทและชุมชนด้วยสังคหะวัตถุสีเมื่อทรงแสดงสิงคาละกะสูตรว่าด้วยหลักการไหว้ทิศในอรรยวินยัยซึ่งอัตถกาถาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้เป็นวินัยของคฤหัตหรือที่เรียกกันว่าเป็นขิหิวินยัย ก็ส่งสรุปลงท้ายด้วยสังฆ awa ตุสีนี้อัตฉกิาบางแห่งจำกัดความคาว่าราชาว่าผู้ยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังข awa ตุสีและว่าสังข awa ตุเป็นพรหมจรรย์เพราะเป็นความประพฤติประเสริฐสังข awa ตุข้อสุดท้ายคือสมานตตาตามักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายอยู่บ้างเพราะบางแห่งแปลไม่เหมือนกัน คำว่าสมานะแปลว่าเสมอหรือร่วมสมานตะตาจึงแปลว่าความมีตนเสมอหรือมีตนร่วมอัิคถาโดยมากอธิบายในแง่ว่าร่วมสุขร่วมทุกและให้ความเสมอหรือเท่าเทียมกันเช่นกินด้วยกันนั่งด้วยกันรวมไปถึงสมาน ก, กิจคือร่วมการงานหรือร่วมด้วยช่วยกันทากิจตุระ แต่ในคำพีสัตธรรมะประกาศสีนีแสดงความหมายอีกนัยหนึ่งว่ากาหนดให้สมควรหรือวางตัวให้พอเหมาะพอดีปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาที่ต่ำกว่าเสมอกันหรือสูงกว่าตนส่วนในชาตะกัตถกถาอธิบายแปลกไปอีกว่าทำตัวให้สม่าเสมอไม่ใช่ในที่รับอย่างหนึ่งต่อหน้าคนอย่างหนึ่งเช่นไหว้พ่อแม่ อยู่ที่เฉพาะกันก็ว่ายออกแคกต่อหน้าที่ชุมชนก็ว่ายอย่างไรก็ดีในขั้นสูงสุดท่านต้องการให้มีความเสมอกันโดยคุณธรรม